ปัญสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาตอนนี้ยังเป็นวันที่สิบเจ็ดสิบเ จ, จ็กระกฎาคม2527้ายเจตามเดมิมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบันทึกทีสองคัดเศษแต่ว่าวันนี้จะเต็มสองเศษจะไมไม่ทราบ แต่ว่าค่าเตรสําหรับภาพก็ยังเป็นค่าเตรเดียวอยู่วันนี้ก็มันป่วยเนี่ยตามใจมันนะเลอเอิบ <c oughs> ก็มาคุยอวดความเร็วคนต่อไปสําหรับค่าเตรนี้ขอให้ชื่อว่าไม่สิ่งความเลว็วค <c oughs> ่าเตรก่อนเป็นการบอกผมเล็วมากอันนี้ค่าเตรนี้ก็ยังไม่สิ่งความเลว็ว มีพ่อใหญ่เพราะว่าสามารถเอาโมโนยิทธิมาแจกบรณดาญาโยมพุทธบริษัทได้ <c oughs> แต่ก็ได้ไม่นานหลังจากนั้นแล้วโปรดทราบเมื่อปีศูนย์แปดผมสอนได้แต่ว่าหลังจะพอศูนย์เก้าเป็นต้นมาถึงพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดไม่มีใครได้เลย สิบปีเต็มทําให้คนต้องเสียเวลากันมากเขาต้องการมาปฏิบัติเพื่อผลจะพึงได้คือเข้าใจในรกสวรรค์แต่ผมไม่สามารถให้ทุกคนไปได้เลยเต้นกี่จะปรับปรับปรับปับปรับเสียเวลาผมก็เหนื่อยบรรดาญาโยมพุทธไวสัยก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่ผลก่อนจะเหนื่อยเข้ามาจากบ้านเขาต้องทิ้งการงานต้องทิ้งความสุข ถ้าไม่มาปฏิบัติเขาจะนั่งอยู่กับบ้านนั่งๆ น, นอนๆอนก็มีความสุขแต่การมาต้องทิ้งผลประโยชน์จากบ้านและก็ต้องเสียประโยชน์คือต้องเสียเงินการฝึกอัตราหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงนีน่ต้องใช้จริงๆต้องต้องให้จริงๆทุกวัน บางคนก็เกินกว่านั้นตอนนี้เวลาจริงๆเนี่ยเขาทิ้งกายงานต้องเสียค่ารถค่าเรือ ม, มาเสียรายได้อันนี้เสียมากผมทำให้มันได้ย่าโยมพุทธบริ ษ, ษัทเสียประโยชน์มากทั้งได้ความสุขและทรัพ์สินผมก็สลดใจจึงมานั่งคิดในใจว่าถ้าว่าสอนอย่างนี้ผมจำได้ว่าเป็นวันที่สิบสามและที่สิบเอ็ วันที่11พฤศจิกา ย, ยน2521วันนั้นคิดในใจกำลังฝึกอยู่ประมาณสองทุ่มเส็จ <c oughs> ที่สลาณวราศคิดว่าวันนี้ถ้าไม่มีใครได้เลยผมจะเลิกสอนแบบนี้จะสอนเฉพาะสุขิาวาสโกเพราะว่าสุขภาวะสโกดีง่ายไม่มีการรับผิดชอบใดๆ แนะนำไปาญาติโยมจะทําได้แต่ไม่ได้บรรดาพิสุสัมเนิจะทําได้แต่ไม่ได้ก็ช่างเขาก็หนังแล้วก็หนังเขาทับภาวนาเราจะนอนที่ันไดาอะไรก็ได้ทีนี้ผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการสอนของผมมีอย่างหนึ่งผมไม่สอบอารมณ์คือสอบอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไหมอันนี้ผมไม่สอบเขาถามมีญาติโยมหลายคน เขาบอกว่ามีการสอบอารมณ์ไหมถามว่าสอบอย่างไงก็สอบว่าได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไหมผมก็บอกถ้าว่าผมไม่สอบล็อกเพราะปรากฏว่าเคยมีคนสอบอารมณ์จากไหนก็ไม่ทราบแกก็บอกว่าแกก็เลยมุส่งฟังเขาอย่างไหนครูว่าโทรแกจํา แล้วก็บอกว่าวั น, นั้นแกตอบมาไม่ไมไมครูบอกไม่ได้ไม่ถูกแกก็ถามคนที่เขาบอกครูยืนยันว่าถูกต้องว่าอยังไงก็ว่าจำว่าเวลาครูถามแกตอบอย่างนั้นใจแกใช่ไม่ได้อารมณ์ที่ได้ใชไมันได้แต่แกตอบถูกท่านครูาอาจารย์ที่เก็บอกก็ได้บางทีตั้งแต่พูดส่งก็ได้อยากเร็ว บางคนเวลาครูจะสอบอารมณ์ก <c oughs> ็ถึงก็บนบานสาังเกตุหูโหมไปสีค่อยสอกได้อันนี้มันเป็นผลร้ายมากเฉพาะบางแห่งนะตัวแห่งท่านดีอันนี้ที่พบมาเห็นว่าเป็นผลร้ายก็เลยบอกญาติโยมไม่สอบทีนี้มาต่อมาก็มาแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องสอบประจิกกันเวลานั้น <c oughs> ในเมื่อผมตัดสินใจว่าผมจะไม่สอนก็ดีเห็นภาพพระพระที่ผมเห็นผมทุกวันที่ก็บอกพระนิ้พานไปแล้วศูนย์นะก็ผมไม่ศูนย์ใครจะไหวไงก็เปล่าก็เถอะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หนักใจผมก็พร้อมเสมอเพราะผมเลี้ยงตัวมาตั้งแต่บวช ความเป็นอยู่ของผมผมเลี้ยงตัวเองผมสร้างผมห ม, มาอาศัยญาติโยมบริษัทเมตตาเมตตาถ้าที่ที่ท่นนมีความเข้าใจสวรรค์นรกผมขอยืนยันตามความเป็นจริงเวลานี้บรรดยาญาติโยมบริษัทชายหญิงได้กันไหมผมคิดว่าเลยแสนคนแล้วกระจายไปทั่วประเทศในต่างประเทศก็ได้คนไทยต่างประเทศฝรั่งที่อเมริกาได้คล่องตัวมาก รังมาฝึกที่วัดที่ก็มีแต่ที่อเมริกันโอโหทั้งชิคาโกเดนเวอร์แล้วก็แคลิฟอร์เนียคล่องจริงๆฝึกแค่สิบนาทีดกเตอร์ปริยากับอาจารย์คุณวิรัต ส, สอนอันนี้แค่สิบนาทีเขาสามารถจะล่องแก้วลสชาติได้ทันทีทันใดถามอะไรก้มหน้า น, นิดเดินเลยมาหน่อยตอบเลย แล้วก็เจ้าตัวเล็กมันชื่ออะไรก็ไม่รู้คนหน้าทัวเล็กเชื่อไม่ออกคนนี้ก็เก่งมากมีฝรั่งชาติเยอรมันคนหนึ่งใครสอนใครสอนเธอไม่เข้าใจเจ้าตัวเล็กก็มารับอาสาบาอกหลวงพ่อคะหนูคิดว่าหนูสงเคราะห์เขาได้แต่ความจริงเธอก็ไม่ได้มาก่อนไปที่ชิคาโก้เธอฝึกกับเขาที่นั่นเธอเพิ่งได้ที่นั่น เธอก็ทำการสอนที่เดนเวอร์ซึ่งห่างกันไปแค่เจ็ดวันจากวันได้คำแนะนำเธอไม่เข้าใจก็ไปถามคุณวิรัตถ้าคุณวิรัตเธอก็มีสูตรสอนไว้แต่ส่วนใหญ่ท่้ฝรั่งดรปณิยานุตาลัยได้เก่งมากพูดวาเท้าสั้นๆให้คนเข้าใจดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็้เรียวเรา เธอไปสอนที่ไหนรับไหนก็ตามวงโตขึ้นทุกวันไอตอ น, น, นแรกๆห้องนั้นมันได้สองวงต่อมาวันที่สามต้องวงเดียวแล้วเพราะคนเพิ่งเขามาฝรั่งก็ติดอกติใจนี่ความภูมิใจของคนที่ได้ไม่ใช่แต่คนไทยคนจีนคนฝรัง่งคนแขกแม้แต่พวกอิสลามพวกคริสเตียนเขาก็มาฝึกกัน ไม่จะยกมาทั้งหมดจะเป็สนส่นบุคคลอย่างละหลายสิบเขาก็ได้กันคล่องแคล่วอันนี้น่าน่าชมเป็นความดีของเขาแต่ว่าผมก็ต้องชมความเร็วของผมผมเร็วมากที่ไม่สามารถจะแนะนำญาติโยมพริ ษ, ษัทสิบปีสิบปีนี่คณอย่าลืมนะว่าสิบปีนี่ไม่ใช่เวลาเล็กน้อย เงินที่บรรดา ญ, ญาโยมพระบริษัท ต, ต้องสูญเสียไม่ใช่น้อยเลยเอาเสียค่ารถค่าเรือไปมาเนี่ยไม่ใช่น้อยถ้าวันหนึ่งมาสิบคนสิบวันก็ร้อยคนสามสิบวันสามร้อยคนอย่าลืมแต่ความจริงกันมาวันเกินสิบคนทุกวันบางวันเต็มคันรถถ้าหกสิบคนถึงแปดสิบคน ในงเงินของเขาก็ต้องสูญเสียไปมากผมก็นับสลดใจในความเลวของผมยิงตัดสินใจว่าจะเลิกสอนพอจะสินใจทั น, นเห็นพระทันทันทีท่านบอกเลิกไม่ได้คุณคุณจะต้องสอนต่อไปเพื่อรับอภิญญาอภิญยาจริงๆ เล้อัพิญญาห้ก็เล้วกันท่านบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีกยี่สิบปีอภิญญาจะเข้าคำว่าอภพิญญาจะเข้าก็หมายความคนจะมีกำลังใจพอสามารถฝึกอภิญญาได้จะอย่าลืมนะอภพิญญาเนี่ยผมไม่ฝึก ใ, ใครๆเพราะผมก็ไม่ได้เหมือนกันผมไม่รู้อภพิญญาไม่ได้ได้ เขาได้ก็ยังไงผมไม่รู้ผมอิเล่เปรีปาไปตามเรื่องทาราวของผมแบบเนี้เอาแค่มโนยิทธิก็จ้อยลอยนิดๆถึงไม่แจ่มใส ซ, ซึ่งไม่มีความเข้มข้นเท่าพระอริยะธรรมผมก็พอใจแล้วแค่นี้เพื่อเพื่อเพื่อนความสงสัยก็มบรรดาญาโยมพุทธวิษัตถ์ได้ผมพอใจแล้วก็เลยเรียนถามท่านว่าก็าสิบปีไม่มีใครได้ <c oughs> ผู้ฝึกให้คือผมเองก็เสียกำลังใจรับการฝึกเขาก็เสียถึงกำลังใจเสียถึงกำลังทรัพย์เสียถึงเวลาแล้วพระใช่ว่าอย่างไงทราบไหมแต่ก็บอกว่าคนฝึกแบบนี้มันก็เท่ากับสอนเด็กให้ อ, อุ้มช้างอาบน้ำแล้วบอกเวลานี้คนสัญญากับปัญญาซามโล คนจะฝึกแบบนี้ไม่ได้จะไม่มีผลผมก็นึกในใจว่าการฝึกให้แบบนั้นมันง่ายกว่าที่ผมทำมาทั้งล้านเท่าผมต้องใช้กระสินสิทั้งกระสินสิบเต็มอาตาทั้งหมดเข้าชานตามลำดับลำดับชานลำดับกระสินแล้วก็เข้าชานลำดับนตามลาดับชานย้อ น, น, น, นกระสินเข้าชานสลับชานสลับกระสิน โอก็จะได้มันเหนื่อยได้เกินแต่ว่าพูดนี้มาบ้านนมามพธอยังเร็วที่สุดสี่วันคนที่ปฏิบัติเพียวสี่วันได้เนี่ยนับคนได้เลยผมขอยืนยันว่าตัด้ดแต่ฝึกมาแล้วหลายปีไม่ถึงสี่ไม่ถึงสิบคนส่วนใหญ่ได้ในวันแรกถ้าก็วันที่สอง คนที่จะเข้าถึงวันนี้สามกม็มีน้อยคนเขาถือว่าแต่งมีแล้วดึงไม่เคยออกท่านยังบอกว่าโอ้โหยากผมก็สอน้เด็กอุ้มช้าอาบน้ำผมก็หนักใจว่าคนถ้าอย่างนี้ผงก็ไม่ไหวท่าก็เลยบอกว่าอย่าลืมนะว่าเวลานี้เนี่ยคนปัญญาได้สัญญาสามลงสัญญาหมายถึงความจำจำาไม่ควรจะได้ ปัญญาความคิดคอนจะหลาดน้อยลงสอนอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าถึงตัวสอนเรียงตัวบุคคลแล้วก็ต้องใช้ลีลาการสอนใหม่ลดกําลังสนหน้าลงกําลังข้อปัญญาเนี่ยไปไม่รอดต้องใช้กําลังเท่ากําลังขงวิชาสามการฝึกเป็นกาลังเป็นชานสี่ตรง ชั้นสี่ที่มีความเข้มมากออกไปแจ่มใสามากถ้าใช้กำลังของกำลังวิชาสามแค่อารมณ์แค่อุปจาระสมาธิอันดับแรก็ได้ทิพคุณุยานก่อนแล้วต้องสอนก็นให้เข้าใจเรื่องการตากิเลสผมก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้จะลดยังไงก็งกราบเรียนท่านบอ ก, กว่าแต่เอางี้ก็แล้วกัน ถ้าเริ่มสอนก็ขอให้กรณามาแนะนำด้วยแล้าก็ยอมรับใจวาระแรกกินได้เรียกพร น, นุชพร น, นุชก็คงคืนค้นคงดีคงคืนดีอะไรก็ไม่ทวนให้พร น, นุชจะปูแ ล, แล้แป๊วแปลวนี่ตัจะชื่อพัชรีมาพอ น, นุดีคืนแรกพร น, นุชกับกับปูเธอร่างกายดี ทำได้ผมดีใจเกือบตายแต่แป้วเธอทำยังไม่ได้เพราะโรกไทรอ ย, อย่างหนักเช้าเธอตัดสินใจแป๊วยาที่กรุงเทศจะมาสู้ใหม่ไปก็ไม่ทันรถเวลานั้นรถกน้อยเธอกลับมาบอกหลงพ่อหนูสู้ตายคืนนั้นแป้วได้อีกผมดีใจเกือบตายหลังจากนั้นก็จับจุดได้ ว่าคนที่จะปฏิบัติได้ีต้องมีความเข้าใจใช้กําลังเบาๆตอนนี้ข้าวรนดาท่านเพื่อนพิสุทธสิสมณีทั้งหลายแ้าบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทเข้าใจไว้ด้วยเว่าการปฏิบัติแบบนี้ตามดับใหม่นี้ท่านให้ใช้กําลังใจเบาๆและก็วิธีปฏิบัติอย่าลืมนะ ถ้าใครอวดเลวกับครูไม่มีผลแน่นอนคือนั่นต้องยอมว่าเราไม่รู้เสียก่อนแล้วกแบราการในสองมีหลายคนเหมือนกันคือว่าครูว่าอะไรก็ว่าตามเลยหลอกครูก็ได้สั่งครูไว้แล้วถ้าใครก็หลอกไม่เห็นจริงไม่รู้จริงจำแบบฉบับใครก็มาพูดขนาดก็ตามไม่พูดตรงตามความเป็นจริงให้ปล่อยไปเลย อย่าสนใจว่าอะไรว่าตามกันให้สนใจกับคนที่ที่พูดจริงทาจริงเห็นจริงรู้จริงพูดตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็มีมากมาหลอกครูบอกครูอย่าสนใจเขาว่าไงเจ้าว่ายังไงก็ช่างเขาว่ายัางไงว่าไปตามนั้นเอาคนที่รู้จริงเห็นจริงเป็นประทัฐนคนได้เภท น, นี้เราไม่รับจ้างสอนนี่ แต่ว่าโรงเรียนรัฐโรงเรียนรัฐคนสอนเขามีเงินเดือนเขาก็ยังสอนเท่าที่เขาสามารถจะสอนได้จะสอบได้แล้สอบตกเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนักเรียนสอบตกก็ไม่มีใครเขาตัดเงินเดือเขายังได้เงินเดือนอยู่เรื่อยที่เราไม่มีค่าจ้างรางวัลใครต้องการดีก็ได้ดีไปไม่ต้องการดีก็เรื่องของเขา เขาอาจจะมีพื้นฐานดีกว่าเราก็ได้อันนี้ไม่ได้ว่ากล้องความกำลังใจที่จะขึ้นใหม่นี่นะเขาเสก่อนพูดถึงเก่าใหม่นี่เอาอย่างนี้เริ่มดีที แ, แรกขอให้ทุกคนมาด้ดยศรัทธาอย่ามาสติวะลองท่านลองนีม่เยืนยัน ให้มาด้วยศรัทธาแท้คือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์แล้วก็ถวายความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเวลาจะปฏิบัติต้องไม่ห่วงอะไรเลยร่างกายก็ไม่ห่วงต้องดูแบบเฉบับรรรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วพระพุทธเจ้าก่อนจะบลุอริยสัมมาทโพธยานพระองค์มีห่วงคือห่วงความรู้ของพรามว่าพราม บ, บอกต้องทอํางง อ, ทอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นปรับปรุงเรื่องกาย <c oughs> กายต้องเป็นอย่างนั้นกายต้องเป็นอย่างนี้คนที่สุดองค์สมเด็จพระจินทร์ศรีเสียเวลาหกปีไม่มีอะไรเป็นผลเลย ต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลอาศัยที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโดยตรงหวังจะรู้ใส่คนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ <c oughs> ปัญญาบารมีของพระองค์ก็เกิดคิดว่าการบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณตั้งไม่ใช่ทางกายแน่เวลานี้เราประรบทางกายเกินไป <c oughs> ต้องเป็นทางใจจะได้ปรับปรุงร่างกายฉันอาหารบิดาบัิตอนนั้นปัญญาวีเราะสีทตั้งห้าคือท่านญาโกทัญญะท่นาทนวัปปะท่านพัติยะท่านมหานามท่าอสัชิท่านปนิบัติพระพุทธเจ้าอยู่เห็นองค์สมเด็จพระรามกูโันปตาตาหารก็มีความเข้าใจว่าพระสมณโคดมนี้ทศธัตถราชกุมาร เป็นผู้มัก ม, กมากใอาหารคือเบอื่อหน่ายหนีไปไปสิปัะตนมรดคธายวันแต่ว่าในหนังสือบางเล่มอธดคธาจารเห่งกล่าวพราว่วาเทวดาเขาดุใจให้พรามพวกนั้นเบื่อหน่ายไปเสียอาจจะเป็นความจริงทางนี้กับพระว่าถ้าอยู่ก็จะโกรธให้่วงใจไม่บริสุทธิ์เมื่อเขาไปแล้วพระเจ้ากระสงฉั ก, กยาหาร มารับข้าวว่าทุ่งพระทุปญาจันนาสุชาดาฉันพอ ร, ร่างกายมีความสมบูรณ์ลอยฐานแล้วสมเด็จโระรีแก้วนั่งคนโพหันหน้าไปทางที่ตอนออกค้นหลังให้็นโพรทรงตัดสินบัตทไทยอย่าลืมนะตรง น, นี้สำคัญมากนะักปฏิบัติทรงตัดสินบัตทไทยว่าเวลานี้เราไม่ห่วงอะไรทั้งหมด เราจะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อพระโพธิญาณถ้าเราไม่เรีรู้อภิเศษสมาัิโพธิญาณคือตะกิเลสได้ไดเพียงใดเลือดและเนื้อจะแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินซีจะตัดใสก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นีนี่เจนว่าพระเจา้าตัดสินไม่ห่วงแม้แต่ชีวิตฉะนั้นขอนักปฏิบัติจะลืมอันนี้ไม่ได้เวลาปฏิบัติ เวลาเริ่มทำสมาธิตัดกัวงวลเสีย ก, ก่อนสิ่งใดที่จยาะห่วงใยเนี่ยยกเลิกทิ้งไปเพราเดี๋ยวเดียวมันไม่ตายหรอกแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องปฏิบัติให้มีผลตามคำแนะนำของครูไม่ห่วงไม่แต่ร่างกายยังเนนนิพันธ์นเทนนิพันธ์นเจียวทุกคน เมื่อต่ความกังวลไม่โวยไม่ห่วงไม่แต่ร่างกายได้แล้วก็ตั้งตั้ ง, งใจสมาทานศีลเรื่องศีล น, นี่ความจริงไม่ใช่จะมีเฉพาะเวลาปฏิบัติศีล น, นี่เป็นเครื่องคําจุนฌานสมาบัติสมาธิทุจรัญจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะศีลถ้าศีลบกกร่องสมาธิทุจรัญก็บกกร้องด้วยถ้าศีลสมบูรณ์แบบสมาธิทุจรญฌานจึงจะสมบูรณ์แบบ ฉันเดื่สงศีเนี่ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงแนะนําว่าหนึ่งเราจะไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุ่วยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามไม่ยินดีเมื่อบุคอื่นทําลายศีลแล้วและก็นิวรห้าบริการอย่านึกถึงมันเลยนิวรห้าบริการคืนหนึ่งความรักในระหว่างเพศที่เรียวกว่ากามาชันทะ รักกรุบสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเวลาที่นั่งปฏิบัติอยู่ใจะให้มีจะที่วัดรละที่บ้านก็ตามสองความไม่พอใจจะให้เกิดขึ้นสความง่วงเสียรมฟุ้งสั้นนอกเรื่องนอรลอยคิดน่อนคิดนีห้าความสงสัยในผลของการปฏิบัติอันนี้สาคัญข้อห้า ข้อสี่กับข้อห้านี่ยสำคัญมากอยากให้มีถ้ามีจะเจ๊งโครงการวันนี้วันห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในกำลังใจขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังปฏิบัติอยู่ก็ขอยืนยันวันนั้นไม่มีผลเลยฉะนั้นว่าอะไรต้องว่าตามกันนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระกวันให้ทุกคนคุมอารมณ์ให้ดีในพรมิหารสี่ ให้จิตทรงตัวไว้ในบริหารสรีเป็นปกติคำว่าปกติต้องเหมือนศีลศีลนี่นต้องบริสุทธิ์ทุกวันแล้วบริหารสีต้องทรงตัวบริหารสีก็คือหนึ่งความรักความรั ก, กวความเมตตาความรักเราจะมีความเมตตารักใคร่คนอื่นกับเราเสมอกันเสนมอัก็ตัวเราไม่มีจิตคิดจะเป็นวเป็นเวร เ, เ, เป็นภยัยเป็นศัตรูกับใครเลย เห็นคนและสัตว์ทั้งหมดถือว่าเป็นมิตรเป็นที่รักสองกลนาความสงสารจิตใจคิดไว้เสมอว่าอยาจะเกือ้อกูลคนและสัตว์ในโลกนี้ให้มีความสุขนั่นหมายความถ้าเขามีความทุกข์ท่าไม่เกินวิัยเราจะช่วยมีความสุขใจก็เยือกเย็นสมนั้กายสามมุตุตา มีจิตอ่อนโยนไม่อฉาดิสยาคข่ใค่ได้ดีพอยินด้วยสี่โอเวขาวางเฉยเห็นคนเพี่ยงพร้มไม่ซ้ำเติมพร้อมจะส่งข้อเสมอนี่ระ บ, บรรดาแทนพุทธบริษัทอารมณ์ทั้งหมดนี้ต้องไปจำเป็นปกติเวลาปฏิบัติหนึ่งไม่กังวลยามปกติมีศีลบริสุทธิจิตระงับยีว์ แต่วจิตทรงพรเมียนสีเพราะเพราะพเมียนต้องมีประจําวันตลอดวันถ้าอย่างนี้ทุกคนจะทรงฌานได้เป็นปกติการปฏิบัติภายในวันนั้นจะได้ทันทีทันใดได้มีสภาพแจ่มใสามากการขึ้นไปนี้จะสว่างไสวนั่นนอกจากนั้นเวลาที่จะก่อนภาวนาให้ทุกคนตัดสินใจใช้ปัญญาหน่อยเดียวทราบ ถ้าไม่ทราบก็เกินวิสัยก็มีเพียกันคนแก่ไม่รู้จักคำมาทุกเลยแกบอกว่ามีความสุขตลอดถ้ามีความสุขตลอดอันนี้ไม่ต้องมาปฏิบัติเพราะนั่นเป็นพระอรหันแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติ <c oughs> ที่นีจะรับนักปฏิบัติเพียงแค่คนที่รู้จักรู้มีความรู้สึกตัวเป็นทุกมีความทุกเท่านั้นนี่ริการหนึ่งคนที่ติดในอารมณ์ จะมาลองอย่าลองเลยนะลองท่าเร็วปล่อยเร็วตลอดเลยไม่ยับยั้งด้วยไม่ฝืนมีเหมือนกันมีมาวิสดุดลอง เ, ป, เ ป, ป๋ไปๆออกข้างๆกูอย่าลืมว่าการปฏิบัติจะมีผลเนี่ยต้องว่าไรว่าํำคันด้วยความจริงใจผมยังนึกถึงบุญคุณครูพ่อปานว่าผมจะเข้ามาบทในพระศาสนา ผมก็อยากจะได้ไปสวรรค์นบนรกเองเนี่แหละท่านบอกว่าเธอต้องการนิดเดียวความรู้ของฉันมีมากกว่านั้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องว่าอะไรว่าตามกันูว่ายัางไงเชื่อตามนั้นไอ้นี่ถูกต้องถ้ามีลมผืนื่อว่าฉันดีกว่าแล้วก็เซ็จไม่มีทางได้หรอกเพนั่นมันเ็วนักแค่ดี ถ้าดีจริงๆก็ไม่ต้องมาฝึกมามามาศึกษาไม่ได้ครับฝึกก็เสียเวลาก็ผมได้รักษาเวลาของผมไม่กันคนเร็วไม่เอาไหนไม่รักษาระเบียบเดีย่ยผมไม่เอาด้วยจริงๆนี่อย่างวันเนี้ยวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันรยดด้ยววสิบเจ็ดผู้สำพลานท่านมากันเจ็ดแสิบคนความจริงพวกนี้ไม่เล็วเขาดีพราด้วศรัทธา แต่ว่าผมป่วยลงพูดกับเขาไม่ไหวเดินมันก็ โ, กโทว์ัดโชว์เทไปถ้าจะถามว่าพูดเนี่ยก็พูดนี่ผมนั่งพูดเฉยๆผมคิดว่าเวลาหมดไปไลยผมเหนื่อยไปไลเลยพราก็เลิกเหมือนนั้นคนเดียวถ้าเดินมันเดินไม่ไหวเดินก็เสียพระตรบะของก็เรื่องความว่าการปฏิบัติต้องว่าอะไรว่าตามกัน คือก็แนะนำอะไรทุกก็ทุกต้องตัดสินใจไปตามนั้นเพราเพื่อนองเลวไม่ต้องมานะและก็ไม่สนใจกับคนเลวไปที่ไหนดีก็ไปที่นั่นที่นี่มันรับจ้างฝึกด้ดการปฏิบัติแบบครึ่งกำลังอันนี้ก็ไม่จาเป็นต้องใช้เงินท่านไม่บังคับแต่ผมก็อยากจะปฏิบัติเยงกำลัง ในการปฏิบัติเต็มกําลังเนี่ยมันต้องเหนื่อยยังไม่มีครูสอนได้ถ้ามีครูสอนได้บางทีคุณยาพวกกครูลองสอนดูแต่มันก็เหนื่อยเหลือเกินต้องใช้หน้าที่มากและเวลาในสองเกรงใจบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต้องใช้ต้องใช้สตางเวลาสงทีเรื่องต้องใช้สตางนี่มีความจําเป็นผมเคยใช้ของท่านงครั้งหนึ่งแต่ความชื่นจริงประปกติ ผมใช้ของผมต้องการรู้อะไรแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยใช้ไม่ได้ใส่สตังค์ให้ทันเวลาตีสี่ตีสองพรุลุกก็จะเดิกนกรรมฐ า, านทุกคืนตีสีว่าจะไปจังหวัดพิจิตร ต, ตอนเช้าตีสีก็ใช้กำลังของท่านมโนยิธินี่แหละนวบัทะดูต้นทางปลายทางไปมากับเห็นปลอดภัยหมดสะดวกทุกอย่าง แต่ว่าไม่ได้จ่ายสตางค์แจมใสจริงๆผมก็ไม่เคยใช้ของท่านต้องท่านดีจริงๆไม่แพ้ของผมเลยแล้วก็เวลาไปขึ้นรถไฟจะสบายด้าชั้นหนึ่งเห็นมือแค่สอกนิ้วสวยมากได้ยินเสียงสตางค์สติ๋ยังไม่ได้ให้ก็ถามได้ว่าทําไมาต้องใช้ท่านบอกทําเองต้องใช้ด้วยหรือท่านบอกต้องใช้ เพราะเงินสลึงเนี่ยไม่จะไปร่ารวยต้องการให้สร้างทานธรรมีทําทดในศีลสมาธิปัญญายอย่างเดียวขาดทานธรรมระมีตัดความโลภไม่ได้เมื่อตัดความโลภไม่ได้ปานิพันไม่ได้ผมเข้าใจยิจ่งกลับเรียนในบอกว่าถ้าอย่างนั้นกลับไว้ผมขอถาวายหกบาท <c oughs> และผมก็ทําจริงๆเนี่ยระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัจเฉย การที่ไม่อยากจะฝึกเต็งกำลังเพราะว่าเครงเขาจะหาว่าเรียกเงเนนกทองแต่ว่าถ้าใครอยากจะฝึกก็ต้องตัดสินใจใชก่อนนะถ้าคิดว่าเงินหนึ่งสลึงมากเกินไปสำหรับทัานจงอย่ามาเลยแต่ใครจะใส่มากเท่าไรก็ได้แต่เงินนั้นผมขอยยืนยันว่าผมเอาไปใช้เองไม่ได้ผมจะใช้เลี้ยงพระกับก่อสร้างและธรรมทานท่านั้นอรบัดาญาโยมพุทธบริษัทองท่าน ชั้นดับท่านที่ดูเทปก่อนคิดว่าเทปยังไม่หมดผู้รับฟังสาวเทปกำลังจะหมดเพราสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสิิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี